เอกาหะปฏิจฉันะปริวาสว่าด้วยปริวาสสำหรับอาบัติที่ปิดไว้วันเดียวสมัยนั้นพระอุทายีต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกะวิสัตถิปิดไว้วันเดียวแล้วบอกภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายกระผมต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกะวิสัตถิ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 แก่ภิกษุอุทายี